ก็ความในไม่ลินตะปัญหาต่อปัญหาที่สองสัพพะสัตตะหิตะภรณปัญหาคำถามนี้เป็นคำถามที่เจาะลึกพระพุทธคุณว่าพระองค์นี่มีกรุณาจริงหรือเนี่ยนะเรียกว่าเรียกว่าแทบจะเรียกว่ า, วาลวงลึกเลยนะว่าล่วงลึกในพระกรุณาของพระพุทธเจ้าพระ้ามิลินกล่าวว่าพระคุณเจ้าน่ากเกษต พวกท่านกล่าวกันว่าใช้คําว่าพวกท่านนะนะแสดงว่าคําพูดแบบกึง่งกึงอะไรนะถ้าตอบดีก็ดีถ้าตอบไม่ดีก็ไม่นับถือก็แล้วกันก็ว่าพวกท่านไม่ใช่พวกเร า, านี่ย น, นะคือพวกท่านกล่าวกันว่าพระตถาคตทรงขจัดความหายยนะเทระว่า ก, กับจัดความเสียหายอ่ะนะทรงจัดแจงแต่ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้อันนี้พวกท่านพูดกันอย่างนี้ว่าพระองค์เนี่ยนะ หันเหออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดอะไรที่เป็นความเสียหายอะไรเป็นความเลวร้ายนะพระพุทธเจ้ากําจัดออกไปหมดเลยหันเข้าหาแต่ประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ควรได้รับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ที่ไม่มีโทษเป็นต้นพระองค์หันจัดแจงเข้าหาแต่ประโยชน์เหล่านั้นพวกท่านก็พูดกันแต่อย่างนี้ และอีกที่หนึ่งเนี่ยนะพระนลกล่าวไว้อีกที่หนึ่งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมปริยายที่มีอุปมาด้วยกองไฟเรียกว่าอัคคิขันโทรประมะสูตรอัคคีแปล ว, ว่าไฟขันทา่าแปลว่ากองปะมะเพาอุปมาพระสูตรที่อุปมาด้วยกองไฟใหญ่พอพระ อ, องค์ตรัตอยู่นั่นแหละโลหิตนนรนกทลักออกจากปากของภิกษุประมาณ60รูปเรียกว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยเท่านั้น พระคุณเจ้าพระตถ า, าคตเมื่อทรงแสดงธรรมปริยายอันมีอุปมาด้วยกองไฟก็เป็นอันว่าพระองค์นี้ทรงขจัดประโยชน์จัดแจงความหหยนะแกะพิสุทั้งหลายห0สิรูปก็คิดดูสิใครจะพูดให้คนกระอักเลือดตั้ง6กสิเนี่ยนะอันแสดงว่าพระองค์เนี่ยเอาประโยชน์ของเขาออกไปทำลายความเสียหายให้เขาดูสิเสียเลือดเท่าไหร่กระอักเลือดด้วยนะพระคุณเจ้า ถ้าหากว่าพระตถ า, าคตทรงขจัดความหายนะจัดแจงแต่ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายจริงใสถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมปริยายอันมีอุปมาด้วยกองไฟอยู่โลหิตร้อนๆก็ทะลักออกจากปากของพิสุปประมาณ60รูปดังนี้ก็ต้องผิดถ้าหากว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมปริยายอันมีอุปมาด้วยกองไฟอยู่ โลหิตร้อนๆก็ทะลักออกมาจากปากของพิสุประมาณ60สรูปจริงซ้ายถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าพระตถ า, าคตขจัดความไายนะจัดแจงแต่ประโยชน์แกส่สัตว์ทั้งหลายดังนี้ก็ต้องผิดเพราะว่าคนที่จัดแจงเข้าหาประโยชน์ยังไงพูดให้คนกระอากเลือดตั้งห0บมืนกนปัญหานี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด บางอัตถกถาสักนิดหนึ่งจะรู้บอกว่าธรรมะปริยายอันมีอุปมาด้วยกองไฟเนี่ยนะในอักขีขันโธปรมสูตรอังคุตรนิกายสัตตกะนิบาศเนี่ยนะเล่มที่ใช้อยู่ก็ประมาณเล่ม37 37มีสัตตกอัตตกะนวากะมีอยู่สามนิบาศเล่มทั้งสัตตกะนิบาศคือซึ่งมีเนื้อความเกี่ยวกับที่พระตถาคตสแสดงธรรมะปริยายแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยทรงยกกองไฟใหญ่ที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในเวลานั้นเป็นอุปมาที่พระองค์แสดงอย่างนี้ว่าสําหรับภิกษุผู้ทุตศีลมีบาปประธรรมเป็นธรรมดาการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่ที่ร้อนลุกโผลงประเสริฐกว่าการเข้าไปนั่งกอดนางกษัตริย์นางพราหมณ์นางคริหะบาดีเพราะแม้ถึงเขาจะเข้าถึงความตายหรือทุกปางตาย เพราะการกอดกองไฟนั้นเป็นเหตุก็จริงอยู่หมายคําว่ากอดกองไฟซะตายขากองไฟเลยเหมือนกนก็ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากตายจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกเพราะกอดกองไฟนั่นก็หาไม่แปลว่ากอดกองไฟตายไม่ได้ตกนรกหรอกส่วนภิกษุผู้ทุศีลเข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางกษัตริย์เป็นต้นข้อนั้นย่อมมีเพื่อความหายนะ ตรงนี้เขาแปลแป ล, แปลค่อนข้างฟังและเพราะดีเนี่ยนะถ้าเป็นสำนวนอาจารย์อื่นจะแปลว่าความชีพหายเลยนะนะแปลตรงตัวมากเลยนะแต่นี้ก็รักษารูปอารนะรักษาความสละเซลมารยาทสังคมสิ่งแวดล้อมมาเยอะเลยนะเบอกว่าเพื่อความหายานณะเพื่อความทุกขตลอดกาลนานหลังจากตายเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกดังนี้เป็นต้น คือพระองค์เนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระ พ, พุทธเจ้าเนี่ยพร้อมด้วยพระพิสุติดตามประมาณร้อยหสิบรูปหกสามสิปดนะร้อยปดสิบรูปร้อยแปดิรูปเนี่ยติดตามพระองค์เห็นแล้วว่าพระพิสุเราเนี่ยติดตามพระพิสุนเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งศีลดีเยี่ยมอีกกลุ่มหนึ่งปราชิกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยหูยทุศีนเป็นอาจิน ผิดเล็กผิดน้อยเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยเนี่ยพระองค์ทําไงเนี่ยก็เลยจะแสดงพระสูตรที่อุปมาด้วยกองไฟสมัยนั้นเป็นฤดูอาจจะฤดูหนาวหรือฤ ด, ดูแรงเนี่ยนะกองไฟมันก็ลุกใหญ่มากเลยพระองค์ก็เดินไปผ่านแล้วก็เห็นร่มไม้พระองค์ก็ประทับนั่งพระองค์ก็ชี้ให้ดูว่าเห็นกองไฟนั้นไหมเห็นพระเจ้าขาเสร็จแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าหากว่าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟให้มันตายคาที่ตรงนั้นอ่ะกลับไปกอดนางกระสับเนี่ยไหนดีกว่ากัน ทิศุก็รีบตอบว่อ้ยกอดนางกษัตริย์เป็นต้นดีกว่าพระเจ้าค่าะไปกอดกองไฟมันเป็นทุกข์พระองค์บอกว่าเราขอบอกขอเตือนเธอทั้งหลายก็อบอกขอเตือนเลยนะแปลว่าเตือนนะว่ากันไปกอดกองไฟนั้นดีกว่าน ะ, ะกน็กอดกองไฟตายแล้วไม่ตกนรกหรอกแต่ถ้าคนทุศีลไปกอดอย่างนั้นตกนรกนะนะ <c oughs> แล้วก็ชี้แจงไปอีกบอกว่ากินก้อนเหล็กแดงๆกลืนเข้าไปแล้วไม่ปากไม่คอไม่ท้องทะลักไหลเข้าไปทวานหนักกินข้าวของชาวบ้านไหนดีกว่ากัน กินฉันข้าวดีกว่าพระเจ้าค่ะโอ้ยไปกินก้อนเหล็กแดงดีกว่าเพราะว่ากินก้อนเหล็กแดงไม่ตกนรกหรอกแต่ถ้าทู่สีน่าไปกินข้าวชาวบ้านตกนรกนะอีกที่หนึ่งบอกว่าเอาแผ่นเหล็กร้อนๆแดงๆลูกชนมานาบตัวกับห่มผ้าที่เขาถวายด้วยศรัทธาไหนาดีกว่ากันบอกว่าโอ้ยห่มผ้าจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาดีกว่าพระเจ้าข้าบอกว่าเฮ้ยนั่นไปเอาแผ่นเหล็กแดงๆมาครอบตัวให้ตาไฮตรงนั้นยังจะดีกว่าเพราะว่าเอาแผ่นเหล็กมาห่มเนี่ยนะ ที่ร้อนๆนั้นไม่ตกนรกร้แต่ว่าหมผ้าของชาวบ้านตกนรกแล้วก็มีอุปมาอีกหลายที่ เ, เรียกว่ามีอุปมาเหมือนกับฟันด้วยเชือกแล้วก็นั่งในตังที่มันมีแต่เหล็กร้อนๆลูกโชนคือเป็นอันสรุปว่าพอแสดงสูตรนี้จบภิกษุทุศีนขาดจากความเป็นสมณะห0สบรูปเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนใจจนกระทั่งมีเลือดอุ่นๆทะลักออกจากปาก กลุ่มปราชิกเนี่ยนะกระอักเลือดเลยอะ่ะกลุ่มที่ที่ไปเป็นปราชิกเนี่ยนะเพราะว่าไม่เหลือความเป็นสมณะในตัวอยู่แล้วเนี่ยนะเรียกว่าพอฟังมันก็เครียดใช่ไหมกรดมันออกมากมันก็เลยย่อยกระเพาะเพราะกระเพาะมันถูกย่อยมากๆเข้ามันก็เลยออกมาทางปากนั่นเองนะเอกหกสิบรูปคิดว่าการบวชในพระาศาสนามีแต่กิจที่ทําได้ยากอุย้ยพ่ตัวเองเนี่ยมันแบบอะไรนะทุ่มศีลเป็นประจำใช่ไหม คนเนี่ยมันจะทุศมสินเพราะอะไรก็เพราะผ้าทุ่มสินเพราะอาหารทุศมสินเพราะที่อยู่ทุศีลเพราะยาเนี่ยนะชีวิตของเราอยู่ด้วยปัจจัยสินถ้ายังเป็นสมณะเราก็ผิดศินผิดสิกขาบทของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆอู้ทำยากศึกดีกว่าก็เลยศึกไป60สรูปอีกภิกษุผู้อีก60สรูปมีศินดีเนี่ยนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พิจารณาโยนิโสมนัิการเห็นภัยของวัตตะเห็นโทษของความทุ่มสิเห็นคุณของศีล ส, สมถาวิปัสนา พอ่อภูณสมรฐานวิปัสนาเป็นพระอรหันต์ในหกสิบบรรดาภิกษุผู้ทุศีลฟังธรรมนั้นแล้วได้รับความทุกข์ใจขนาดว่าโลหิตอุ่นๆทลักออกจากปากเพราะพระธรรมเทศนานั้นก็หานับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมอบความหหยนะขจัดประโยชน์ของภิกษุเหล่านั้นไม่เพราะเป็นผลแห่งการกระทำคือความทูศีลของภิกษุเหล่านั้นเองเนี่ยก็แก้บอกตรงๆว่าที่ คือถ้าไม่ทําชั่วมาเนี่ยนะเลือดมันจะท่วมไม่ละอ่ะนะแต่ก็อย่างว่านะครสูตรเมื่อกี้เนี่ยที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยถ้าบวชเข้าแล้วศีลไม่ค่อยดีเนี่ยฟังแล้วเงือท่วมเหมือนกันนะ<ม>อะไรกรดมันหลังมากใช่ไหมความร้อนอุณหภูมิมันก็แผ่ขยายขึ้นเงือท่วมเลย น, เนี่ที่ที่พระ อ, องค์ตรัสแล้วที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอ่าก็บอกว่าเป็นผลของการกระทําของตัวเองไม่ใช่เกิดจากคําสอน ทว่าชื่อว่าพระองค์นั้นขจัดความหายานณะจัดแจงประโยชน์แก่ภิกษุเหล่านั้นทีเดียวเพราะเมื่อไม่ทรงแสดงสูตรนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนสูตรนี้นะภิกษุกลุ่มปราชิตําไงต่อไปภิกษุเหล่านี้ก็ยังคงตั้งอยู่ในความเป็นสมณะก็แค่ว่าหลอกลวงเข้าแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีคุณธรรมที่เป็นคุณเครื่องความเป็นสมณะไม่ว่าจะเป็นศีลเป็นต้นเพราะอะไรเพราะความจริงเนี่ยตนนั้นได้ขาดคุณธรรมความเป็นสมณะไปแล้วซึ่งเป็นอย่างนี้ ค้าคืนยังบวชต่อไปมีแต่จะทำให้ภิกษุเหล่านั้นบายหน้าไปหาอับบายภูมิอย่างเดียวเท่านั้นเสวยทุกข์ในสังสารวัฏไปตลอดกาลนานแสนนานเกี่ยวกับอกุศลกรรมคือการที่ตนไม่ยอมลาเสกขา ยังคงประกาศเพศสมณะอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายผู้เลื่อมใสในบุคคลครองเพศนี้นําเอาปัจจัยทั้งหลายเข้าไปถวายด้วยศรัทธาด้วยปรารบถึงความเป็นสมณะผู้มีศีลของตนเพราะเขาเหล่านั้นยังสําคัญอยู่ว่าเป็นสมณะทั้งตนเองก็ยินดีที่จะรับเอาอันนับว่ามีความรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมณะใช่ไหมก็แสดงว่าตั้งอยู่ในอาการหลอกลวงก็ถือว่าเป็นเป็นโจรอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเป็นโจรอย่างหนึ่งก็คือว่า คือที่เขาไปถวายเนี่ยนะมีโยมบ้างไว้สาธุข้าวเหล่านี้เนี่ยเราเอาไปเลี้ยงพระพิสุทุศีนพระที่ไม่มีศีนพระที่เป็นประราชีพโยมเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมยากก็มีแต่ว่าเออเนี่ยเอาไปถวายค น, น ผ, ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบคนมีศีนทีนี้ตัวเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งใจเอามาถวายคนมีศีนแล้วตัวเองไม่มีศีนนี่ก็แปลว่าตั้งอยู่ในฐานะแห่งการหลอกลวงก็เป็นมิจฉาอาชีพจะไปไหนเนี่ยนะ กลับบ้านเก่านีนะนรกเพราะฉะนั้นผมก็เลยแสดงคำเพื่อป้องกันปิดประตูสิ่งนี้ซะเพราะว่าอากุศลกรรมเกี่ยวกับการหลอกลวงผู้อื่นเป็นอยู่ข้อนี้แหละจะพามุ่งหน้าไปสู่อาบายนับชาติไม่้วนจากนรกสู่นรกจากอาเรียกว่าจากคันสู่คันเนี่ยนะในกปิละสูตรเนี่ยแสดงไว้ดีในกปิลสูตรในสุตรตานิบาต ท, ที่กล่าวถึงพระกปิลเนี่ยนะกล่าวผู้ที่ยกตัวอย่างถึงพระที่ทุกข์สีเนี่ยเป็นอย่างนั้น ทั้งในระหว่างที่ยังครองเพศสมณะอยู่นั้นก็ไม่อาจจะเจริญอะที่กุศลอะไรอะไรอีกต่อไปคือถ้าฐานไม่ดีเนี่ยนะฐานคือศีลไม่ดีสมถะสมาธิวิปัสสนาเพื่อบรรลุญฌานสมถะเพื่อบรรลุญฌานวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลอันกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้เนี่ยนะมีไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าคุณธรรมที่ยิ่งไปกว่าศีลไม่เกิดแก่บุคลบคลผู้ทูศีลเคือว่าบุคคลผู้ทุศีลแล้วเนี่ยยากที่จะได้ความ ผู้ที่วิผู้ที่ทูตศีลจะได้มาซึ่งวิปฏิสานวิปฏิสานนามาซึ่งความไม่ปราโมทไม่มีไม่มีปีติไม่มีปัสสธิไม่มีความสุขใจก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อใจไม่ตั้งมั่นก็ไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นตามเป็นจริงก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายก็ไม่คลายกำนัด จะบรรลุมรคผลแต่ที่ไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ทุตศีลทั้งหลายก็คือฐานรองรับเนี่ยนะเพราะศีนนี่แปลว่าศีละนะรองรับคุณธรรมชั้นสูงรองรับสมรรถะและวิปัสสนาธาตุไม่มีฐานเป็นที่ปฏิสถานศีน ร, รองรับคุณธรรมแล้วคุณธรรมเหล่านั้นเกิดไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ในเพศสมณะต่อไปแต่ว่าพระพิสูจนเหล่านั้นเนี่ยนะตอนหลังท่านก็ศึกนะ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านั้นดํารงอยู่ในเพศคระหัสดก็สามารถทําบุญทั้งหลายให้ทานสมาทานศีลตามสมควรแก่เพศกระหัสดเพื่อประโยชน์แก่พบหน้ามีการเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้หรือแม้อาจเจริญสมาธิวิปัสสนาจนบรรลุฌานมรรคผลเป็นต้นก็ได้ก็พวกพิสูจนที่ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้วมีเลือดอุ่นๆทะลักออกจากปากเจ็บป่วยแล้วก็พากันลาสิกขาได้ทําบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นอยู่ในเพศคารวะ ก็บอกว่าท่านเหล่านั้นนะเป็นพระอนาคามีไม่ใช่น้อยเลยนะที่ศึกไปแล้วก็ไปประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะก็บรรลุมรักผลเป็นพระอนาคามีนะดดคือบางพวกก็เป็นโสราบันบางพวกก็เป็นสกธาคามีบางพวกก็เป็นอนาคามีนะทั้ง60รูปนะตอนหลังได้ดีน ะ, ะ, ะที่กลุ่มปราชิกเนี่ยศึกไปแล้วก็เจริญสมถาวิปัสสนาเป็นพระโสราบันพระสกธาคามีพระอนาคามีก็ก็ไม่ได้หมายว่าผู้ที่เป็นปราชิกไปแล้วเนี่ยนะ ไม่ใช่บรรลุมรรคผลไม่ได้แต่ว่าอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยไม่เจริญเท่านั้นเองหรือลาไปเป็นสัมมณีนก็ได้แต่ชุดนี้จริงๆเนี่ยศึกเป็นสัมมณีนะพอรู้ว่าพระโพธิ์แสดงอย่างนี้ท่านก็ปฏิญาณตนเป็นสัมมณีแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบานันเป็นต้นแต่ทิ้งก็ถึงพระนาคามีแต่เป็นพระอราหันต์ไม่ได้เนี่ยนะ แต่ก็ถึงพระอนาคา ม, มีอันผู้ที่เป็นปราชิกเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้ตัวเห็นพิษภัยทุกโทษสละเพศซาแล้ว ก, ไปปกไ็ไปเป็นสัมเน็ก็ได้ไปเป็นคารวาสก็ได้ประพุทธดีปฏิบัติชอบก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลเคือว่าทําแก้ตัวได้แต่ถ้ายังคืนอยู่ในเพศของนักบวชก็ถือว่าหลอกลวงเลยนะหลอกลวงทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่มีศีลก็ปฏิญาณว่าเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่งอกเงยแล้วธรรมะเขาเรียกว่า าราชิโกโฮติอสังวาโซเนี่ยนะแปลว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ปรชาชัยไม่มีสังวาสร่วมกับพระพิสุทั้งหลายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็แสดงว่าพระองค์ขจัดความหายนะความเสียหายของพระพิสุเหล่านั้นชื่อว่าพระองค์จัดแจงประโยชน์เพราะในที่สุดท่านเหล่านั้นก็บรรลุมรคผลจนได้เนี่ยนะแต่ถ้าพระองค์ไม่แสดงอักขขันโทปมาสูตรตกนรกเกลี้ยงเลยนะกลุ่มนั้นะ และกลุ่มอีกหกินั้นก็จะตกนรกแต่ว่า60ที่เลือดทะลักออกปากสึกไปเป็นสมัมมาเนรแล้วก็บรรุแล้วก็กลุ่มอีก60ที่ล่วงสิกขาบทสิกขาน้อยสิกขาบทเล็กน้อยก็สึกไปเป็นคาราวะประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็บรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็ยังบรลุอีกไอกลุ่มที่มีศีลดีบรรลุเป็นรรพระ้าหันเพราะธรรมะปริยานี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ขจัดหายนะเป็นผู้จัดแจงแต่ ประโยชน์โดยส่วนเดียวเนี่ยนะมันถ้าอันนี้ถ้ากล่าวตามอัตถกถาทั้งอัตถกถาจุลชราสังคาตะวักเอกนิบาศเพราะคำอธิบายเรื่องนี้เนี่ยไม่อยู่ในสัตตานิบาศแต่ไปอยู่ในเอกนิบาศจุลชราสังคาตะวักวักว่าด้วยการดีดนิ้วมือเนี่ยนะก็บอกว่าจริงๆแล้วสูตรนี้เนี่ยในอัตถกถากล่าวว่าภิกษุที่ฟังนี่ศึกเยอะมากเลยนะศึกมันใบไม้ร่วงเลยเพ ง, งั้นพอฟังสูตรนี้จบ ศึกเหมือนใบไม้ร่วงมีวันพระ อ, องค์ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมวิหารนี้ดูพระพิสูจน์เบาบางไปพระนนก็บอกว่าเนี่ยพระ อ, องค์แสดงสูตรนี้แหละศึกเป็นเหมือนใบไม้ร่วงพระ อ, องค์ก็เลยบอกว่าแสดงว่าผู้ที่บวชเข้ามาถ้าเจริญเมตตาเมตชั่วเพียงลัดนิ้วมือหนึ่งก็เชื่อว่าการบริโภคปัจจัยสีไม่เปล่าเนี่ยนะเป็นต้นแล้วก็ยกย่องการเจริญเมตตานะในที่สุดก็มีผู้ที่เข้ามาบวชประพฤติปฏิบัติชอบอยู่เรียกว่า ว, ว่าด้วยการดีดนิ้วมือในเอกานิบาศ เพราะว่าถ้าที่ยังลงสู่พระาศาสนาเนี่ยนะการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรักผลอาจจะเจริญเมตตาเจริญอะไรเป็นต้นก็เป็นฐานให้บรรลุมรักผลได้ก็ไม่ต้องไปกลัวถึงขนาดหวาดระแวงต้องกับสกขาลาเพศเหรอกคือในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะสิ่งใดมีคุณมากสิ่งนั้นก็มีโทษมากเนี่ยนะสิ่งใดมีประโยชน์มากก็มีโทษมากอย่างถ้าบอกว่าอะไรนะรถเนี่ยเพื่อสะดวกในการเดินทางใช่ไหมแต่คนที่ตายเพราะรถนี่น้อยไหมเพราะเห็นคนตายคนหนึ่งก็เลยไม่ยอมขึ้นรถตลอดชีวิต นะอันนั้นก็เกินตายอีกเหมือนกันใช่ไหมชั้นใดก็ดีสมถาวิปัสสนาศีลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้ก็นำบุคคลทั้งหลายออกจากวัฏโทกแต่ถ้าหากว่าไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ตั้งใจปฏิบัติตามนั้นก็เป็นสิ่งที่มีโทษละแต่ว่าก็โอกาสก็พระองค์ก็ไม่ได้ว่า เออคุณจะต้องบวชอย่างเดียวแล้วคุณจึงจะบรรลุมรรคผลได้ก็ไม่ได้มีบัญญัติว่าจะต้องบวชอย่างเดียวนีนะอันอยู่ในเพศไหนคิดว่าเหมาะสมสําหรับตัวใครว่าต้องรู้จักตัวเองว่างั้นเธอต้องรู้จักตัวเองว่าเหมาะที่จะเป็นฆราวาสหรือเหมาะที่จะเป็นพระภิกษุก็พยายามศึกษาอัธยาศัยของตัวเองให้ดีๆว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีเนคขมัธยาศัยหรือกามัธยาศัยเหมาะที่จะจะอยู่ในเพศนักบวชหรือเหมาะในเพศ คาระาะถ้าเราอยู่ตามเพศที่เราสมควรเราก็ไม่ไม่ยังไงก็ไม่เสียหายแต่ถ้าใจก็เป็นคาระวะเต็มร้อยเสร็จแล้วก็ชอบไปอยู่เพศนักบวชเนี่ยนะมันก็เดือดร้อนแน่ละหรือผู้ที่จิตใจเป็นนักบวชเต็มที่แต่ต้องไปคลุกคลีในสังคมของคาระวะเต็มตัวไอ้อยางงี้ก็เดือดร้อนอีกมันก็ต้องศึกษาความพอดีให้พบปะเจอเจ อ, เจอเนี่ยนะจะได้เจริญถ้าไม่รู้จักตัวเองเพียงพอแล้วก็ยาก เสมอว่าคนป่วยไข้ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเลยแล้วจะกินยาถูกได้อย่างไรเนี่ยนะเนี่ยทนาเกษตรยังไม่ตอบแล้วนะเนี่ยอตาตกระถาตอบไปเสร็จละ